ก็โอกาสดีที่มีบุญได้พบกันเพราะว่าเราทั้งหลายทุกวันนี้เราเสี่ยงภัยหลายๆอย่างก็จะพบกันได้เร้ยก ว, ว่ามีญี่ปุ่นด้วยไม่รู้ฟังภาษาไทยออกหรือเปล่าก็ค่อยฟังทีหลังก็แล้วกันเนาะส่วนตัวก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะฮะที่มาที่นี่ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตาม แต่มาเจออากาศแบบนี้มีทั้งโชคดีและโชคร้ายโชคดีก็คือว่าเราไม่ต้องเพ่นพ่านไปหลายๆที่นั่งล็อกตัวกันในศาลาแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมถึงเพราะที่จัดที่มีการนี่ก็ใช้บรรยากาศที่ว่าเพราะในเมกานี่อากาศหนาวก็หนาวมากร้อนก็ร้อนมากอยู่ข้างนอกไม่ได้เวลาไปจัดอบรมที่บ้านที่วัดก็อยู่ในห้องแบบนี้ ล่าสุดก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยจทัดที่เซเลกโก่เจ็ดวันมาที่เจ็ดถึงสิบสี่ผมเขมาวันที่สิบห้าก็ปรากฏว่าที่นุ่นสิบประมาณสิบองศาฟเาเรนไฮน์มาที่เมืองไทยขึ้นก็ไปถึงแปดสิบร่างกายรับไม่ทันช็อกลเลยไข่ยอยเ่สื้อมวันไปงานทัพนิ่งขวัญงานร้อยปีหลวงพ่อเตีย น, นความต่างของอากาศมันมันค่อนข้างมีผลต่อร่างกายอย่างมาก ได้อาศัยได้ออกกำลังกายได้ช่วยเหลือตัวเองถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่อยากจะไปทานยาหาหมอให้ธรรมะรักษาเพราะในพุทธภาสิตทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิจนี้ถ้าหากว่าทำไม่รักษาเราเราจะปฏิบัติธรรมไปทาไมทำต้องรักษาเราสิทั้งร่างกายและจิตใจแต่ไม่หมายความว่าเราจะไม่ประพฤติธรรมเราประพฤติธรรมแต่ประพฤติให้มันถูก เช็นว่าร่างกายเขาอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยอาหารเขาก็จัดอาหารที่ถูกให้เขาอยู่ด้วยอากาศก็จัดอากาศที่ถูกให้เขาอยู่ด้วย อ, อารมณ์ก็จัดอารมณ์ที่ดีให้เขาแล้วก็อยู่ด้วยธาตุทั้งสี่อันไหนที่จะเป็นเหตุให้ธาตุสี่ของเรากำเริบเราก็แก้ไขให้ถูกนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมไปแล้วไม่จัดการ ให้สมเหตุสมผลกับร่างกายเพราก็ป่วยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงพ่อก็เลยใช้แพทย์ทางเลือกเข้ามาช่วยในการกินอาหารก่อสารพิษการทําดีท้องออกกำลังกายอยู่ในอากาศที่ดีอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยก็ทํางานได้ตลอดทั้งปีก็เก็บป่วยก็รักษาอด้วยธีการแบบนี้สำหรับวันนี้ข้อสลามาข้อที่แรกหลวงพ่อไม่เห็นป้ายตัวนี้นะก็ที่สู่ทั้งหลาย ภูมิจันที่เราประพฤตินี้ไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนได้อ่านกันไหมไม่ได้อ่านเลยเหรออจะได้สู้หลวงพ่อมาได้หลวงพ่อมาอ่านก่อนเลยอันที่สองที่ใช่เพื่อเรียกร้องให้คนนับถือเสนอเสริมเย็นยอแต่ภูมิจันนี้ประพฤติเพื่อความสำรวมระวังเพื่อการละ ก, การคลายกิเลสและเพื่อการดับกิเลสน่าสนใจไหมเพื่อสำรวมระวัง อ่าเอาข้อนี้ก่อนอ่า่อสํารวมระวังคาว่าสํารวมระวังนี้ตรงกับภาษาบาลีว่ามีสติสัมปชัญญะมีสติสังวรแต่นั้นเรามานี่มาเพื่อสํารวมระวังระวังอะไรเราจะรู้หรือยังเรามาปฏิบัติเนี่ระวังอะไรระวังทุกได้ไหม ระวังทุกข์ไม่ได้ทุกข์มันต้องเกิดนั่งเนี่ยเป็นหลายวันทั้งหนาวทั้งปวดทั้งเมื่อยทุกข์ผู้คนก็กลับบ้านไปแล้วผู้คนก็คิดว่าจะกลับไม่ไหวทนหนาวไม่ไหวเพราะผมก็ไม่พอทุกข์ระวังทุกข์ทางกายเนี่ระวังยากเพราะว่ากายเป็นที่ตั้งของความทุกข์พราะเราเกิดมานี่เพราะผลทวงแห่งทุกข์ตั้งแต่บรรพบุรุษเรามาทอดมาสู่พ่อสู่แม่ แล้วก็ทอดมาสู่เราเพราะฉะนั้นเรากับพระอรหันต์ไม่ต่างกันในแง่ของความทุกข์กายท่านก็ทุกเหมือนเราเราก็ทุกเหมือนท่านเพราะฉะนั้นการระวังให้ทุกน้อยได้อยู่เพราะเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยเป็นสิ่งทั้งที่ป้องกันภัยและป้องอันตรายและในขณะเดียวกันเป็นสิ่งที่ถ้ามันเกินมันก็จะทรมานเรา อพนนแหโชคดีที่ว่าเราถูกล็อกอยู่ในตรงเนี้ยเราไปไหนไม่ได้ข้างนอกก็ฝนตกแต่โชคร้ายตรงที่ว่าอากาศมันเย็นแล้วคนที่ไม่ได้สมาธิจะรู้สึกอึดอัดทรมานมากๆนะถ้าจะร้องให้กลับบ้านตอนนี้จะกลับก็ไม่ได้ทางเขาล็อกไปแล้วนะรถทําทางก็ดีรถเข้าคนข้างในออกไม่ได้คนข้างนอกเข้าเข้าข้างนอกข้างในก็ออกไม่ได้นนอาานอ ดันั้นก็โชคดีที่ว่าเราจะได้ล็อกตัวเราเองเพราะว่าวันวันหนึ่งจิตใจของเราที่มันเคยไปเนี่ยเราไม่เคยระวังมันเลยนะแต่มาที่นี่ครูบาอาจารย์ท่านช่วยเราให้นามาระวังใจถ้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายเป็นหัวนหน้าใจเป็นประธานถ้าสมมติเราระวังใจได้อย่างเดียวระวังได้ทุกเรื่องทีนี้เราจะระวังอย่างไร ว่าใจของเราเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดสุขก็ได้ทำให้เกิดทุกข์ก็ได้สุขกับทุกข์เป็นคนละอันหรืออันเดียวกันสุขกับทุกข์เป็นสิ่งเป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งไม่แน่ใจใช่ไหมจะว่าคนละอันก็ไม่ใช่จะว่าอันเดียวกันก็ไม่เชิมงมันยังเหมือนกระไม้เนี่ย ถ้าสมมติตรงนี้เป็นสุขให้ตรงนี้ก็เป็นทุกข์ถ้าสมมติตรงนี้เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นสุขมันอันเดียวกันแต่มันอยู่คนละขั้วเท่านั้นเองใช่ไหมเราจะบอกว่าสุขกับทุกข์เป็นสิ่งเดียวกันก็ก็ใช่แต่มันอยู่คนละมุมสมมติว่าเรานั่งมาปวดขาเราบอกว่าทุกข์ใช่ไหมเพอะพลิกปั๊บตอนแรกปวดขาเป็นมุมนี้ใช่ไหมเพอพลิกปั๊บความทุกข์หายไปความสบายกลับมาเกิดเป็นมุมนี้เอานั่งไปนาน ทุกข์อีพริบปับมันก็กลายเป็นมูนี้อยู่งี้เรื่อยไปเพราะนั้นที่สุขทุกข์เป็นสิ่งหลอกลวงทางกายนะเรียกเป็นมายาดะงนั้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจทุกท่านบอกต้องเข้าใจมันทุกต้องศึกษามันทุกต้องมาเรียนรู้แต่ว่าเรามาใช้คําพูดอีกแบบหนึ่งว่าต้องดับทุกข์นะต้องหนีทุกข์นะต้อง พ้ทุกเ น, นเนี่ยมันจริงมันพ้นได้ไหมพ้นไม่ได้ทุกทางกายแม้แต่พระรหันก็พ้นไม่ได้แต่ทุกทางจิตทุกทางกายมีเหตุมาจากอะไรเหตุมาจากหนึ่งการกระทําเช่นกายกรรมที่เรานั่งนานเกินไปกินมากเกินไปนอนมากเกินไปอะไรที่มันเกินเกินนี่แหละการกระทําที่เกินไปการทํางานหนักเกินไปก็ทําให้เป็นทุกข์ทางกายจิต ที่เราคิดไปแล้วถ <c oughs> ้่คิดมากเกินไปเพรก็าอาจจะไอสลับเป็นระยะระยะนะต้องขอโทษไว้ก่อนเพราะว่าเเป็นภูมิแพ้มาแต่ก่อนออก็วันนียงไม่หายสนิททีนี้จิตของเราเนี่ทําให้เกิดทุกข์ได้ไหมนะก็จิตของเราที่ไม่มีความระมัดระวังทําให้เกิดทุกข์ทางกายได้เช่นเราขับรถไปอ่าเราประมาทไม่ระวังใจใจเราเผลอนิดเดียว เขาสามารถลดปิดชนกันได้ลดเกิดอุบิเหต์ได้แล้วลุกขึ้นไปอย่าไม่เราไม่ระวังก้าวไปข้างหน้า mm hmm. ก็เรื่อว่ามันระดับเสมอกันเราก้าวยกขาลงไปอย่างแรงที่ไหนได้มันต่างระดับหกขมมไปตรงนั้นเราไม่ระวังขาดสติทุกเกิดจากความคิดคิดมากๆเครียดปวดหัวแล้วก็ไม่สบายทุก ท, ท, ทุกเกิดจากความคิดกรรมจิต อุตุอากาศที่เย็นเกินไปหนาวเกินไปร้อนเกินไปก็ทําให้เราทุกขนะ์อาหารอาหารที่กินมากเกินไปอาหารที่เผ็ดเกินไปอาหารที่มันอร่อยเกินไปสั่งสมพิษก็ทําให้เราเป็นทุกข์กรรมจิตอุตุอาหารจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์ทางกายนะเหตุของทุกข์ทางจิตจิตของเราเพราฉะนั้นการปฏิบัตินี้เพื <c oughs> ่อเราต้องการที่จะรู้จักเหตุของทุกข์นะ จะ่ใช่ไปดับทุกข์และรู้จักเกดแต่ทุกต้องเรียนรู้ทุกต้องศึกษามาที่นี่เรามีทุกคนละอยา่างทุกพ่อหนาวจัดทุกเพราะปวดจัดโดยเฉพาะเยาวชนของเราตัวเล็กๆใังน่าสรรเสริญว่ามาเตรียมตัวศึกษาเรื่องทุกไว้ก่อนมันต้องเจอแน่นอน่อะอเช่นพ่อแม่ดา่าเราไม่พอใจก็เป็นทุก นะหรือครูบาอาจารย์ว่าเราไม่พอใจแล้วก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์มันเป็นผลนะอถ้าสมมุติว่าเราจะเห็นไฟลุกขึ้นแล้วเราเอาน้ําไปดับที่เปลวเนี่ยมันจะดับไหมต้องดับที่ไหนต้องดับที่ฟืนนะดับที่ฟืนเสร็จแล้วเหตุของทุกข์ทางใจคีอความอยากเช่นเราอยากกลับบ้านหรืออยากจะนอนที่บ้านเรา อ, อยากจะ นอนที่อุ่นๆเราอยากจะให้อากาศอุ่นกว่านี้นั่นตรงนี้ความอยากแต่ความอยากนั้นไม่ถูกตอบสนองก็เกิดความขัด่าความขัดใจขึ้นหมายความขัดใจนี่แหละเป็นเหตุของทุกข์แล้วความอยากไม่ได้ดังใจดังนั้นเองพวกเรามาเนี่ยมายกมือยกแล้วมันความอยากหมดไปไหมแล้วยกมือเพื่ออะไร ยกมือเพื่อสร้างกำลังของความระมัดระวังตัวนี้ให้ความสำรวมระวังของเรามีกำลังขึ้นให้มันมากพอที่จะให้เท่าทันความคิดเท่าทันพอที่จะให้ความคิดมันเกิดขึ้นมาปับ๊บรู้เท่าทันปับ๊บนั่นหมายความความระวังเราสูงความระวังกายก็คือมีสติระดับสัญชตาตญาณระวังกายได้ แต่ขณะเดียวกันสติระดับสัญชตาตญาณเนี่ยไประวังใจไม่ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นทุกคนนะทุกสัตว์ทุกตัวตนมีสติเสมอกันในแง่ของสัญชตาตญาณเช่นสุนัขเจ้าของจะตีมันก็วิ่งหนีได้หรือว่ายุงมันจะมาเกาะเราเราจะตบมันมันก็บินหนีมันก็มีสติแบบเราเหมือนกันแล้วว่าสติสัญชตาตญาณระวังกายไม่ให้ได้รับอันตราย เป็นและดีสติสระดับสัญชตาตญาณแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีความกลัวตายไม่เฉพาะสัญชตาตญาณแม้แต่ความลึกขึ้นไปทั้งจิตของเรามันกลัวเนี่ยกลัวตายสัตว์เนี่ยมันไม่ได้กลัวตายล่วงหน้าหรอกนะว่าอะไรมันจะเกิดนี่มันไม่ได้กลัวตายล่วงหน้าอะไรเกิดขึ้นขนาดนั้นมันก็กลัวขนาดนั้นมันก็เอาตัวรอดแต่ว่าเราเนี่ยมีการกลัวตายล่วงหน้า เช่นกลัวจนกลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายล่วงหน้าเราก็จึงขวนขวายหาวิธีการป้องกันเช่นป้องกันความยากจนแล้วก็หาทรัพย์สินในการเรียนหนังสือในการสั่งสมเงินทองมากๆแล้วกลัวยากกลัวจนเพราะกลัวจนจะกลัวตายนั่นเองหรือเรากลัวเจ็บกลัวป่วยเราก็หาเงินหาทรัพย์สินไว้มากๆ ก็เวลาเจ็บป่วยมาเราจะไปโรงพยาบาลไปหาหมอหรือเรากลัวว่าคนจะติฉินนินทาแล้วก็ทําดีเราก็กลัวกลัวคนว่าจะว่าเราก็ทําในสิ่งที่มันถูกมันดีให้คนไม่ว่าเอาเนี่ยรู้มาจากความกลัวทั้งนั้นแหละที่ที่เราปฏิบัติทำเนี่ยเพื่อให้พ้นไปจากความกลัวอันนี้ด้วยให้ความรู้มามามาอยู่แทนความกลัว นั้นเองความรู้ชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานไม่ใช่สติสัญชาตญาณถ้าสติสัญชาตญาณเนี่ยแม้แต่สัตว์มันก็มีแตนะ่บางครั้งเราสู้สัตว์มันไม่ได้ด้วยเช่นสัตว์ไี่รู้จักป้องกันตัวมันเองมันก็ไม่เคยไปกินยาหาหมอแต่คนสู้ไม่ได้นะสัตว์มันไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่เจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยมันรักษาตัวเองได้ เคยเห็นสุนัขใช่ไหมเวลามันโป่ยขึ้นมาไปหากินหญ้าโน้นนี่เดี๋ยวมันก็หายของมันแต่เราไม่พอต้องไปลุ่งพยาบาลงั้นก็แสดงว่าในแง่ของสติสัญญาติญาณบางครั้งเราก็สู้สัตว์ไม่ได้แต่ที่เราเหนือกว่าสัตว์เพราะเรามีสติ ส, สติปัญญาหรือสติปัญญาที่เราฝึกนี่แหละถ้าคนไหนที่มีสติปัญญาดีขนาดไหนนะเรียนจบ ป, ปริญญาโทป ร, ริญญาเอกมันสมองดีขนาดไหน ก็ยังตกเป็นทาสของสติสัญชาติยานเพราะเขาจะต้องกลัวตายเขากลัวไม่มีที่อยู่กลัวไม่ได้สืบพันธุ์กลัวภยัยอะไรต่างๆเนี่ยเขายัางแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่สติสัญชาติยานเนี่ยมันต้องพัฒนาให้เป็นสติปัฏฐานนั้นเรามาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มาเจริญสติระดับที่สองคือสติปัญญาหรือสติสัญชาติยาน แ้วสติระดับนี้เนี่ยเราพัฒนาหลายรูปแบบนะพัฒนาเช่นเราทําดีเรารักษาศีลให้ทานก็ถือว่ามีสติให้ทานรักษาศีลทำสมถะอทําจิตให้สงบ ก, ก็ถือว่ามีสติระดับหนึ่งแต่ว่าสตินั้นก็ยังไม่พอเช่นเวลาเรานั่งกําหนดลมหายใจเนี่ยนานเข้านั้นเข้าจิตก็สงบจิตก็ไม่ทุกข์ได้เหมือนกันแต่พอออกจากความสงบมันก็คิดอี มันก็ทุกข์อีก <c oughs> เพราะฉะนั้นสติระดับสมถะก็ยังไม่พอเพราะสติปัฏฐานเนี่ยสติมีสองระดับเหมือนกันคือสติระดับสมถะคือทําจิตให้สงบเช่นน้ํามันกระเพื่อมเนี่ยทําให้น้ํามันสงบไม่ได้แต่น้ําที่มันหยุดกระเพื่อมแล้วน้ํายังขุ่นอยู่เราจะทําน้ําขุ่นให้เป็นน้ําใสเนี่ยสติระดับที่จะทําให้น้ํานิ่งยังไม่พอต้อง ทำน้ำที่มันขุ่นให้มันใสได้ด้วยนั่นคือไม่ต้องต้องน้ำทำให้น้ำตกตะกอนทรงนี้ต้องอาศัยสติระดับวิปัสนาเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมาปฏิบัติสติระดับวิปัสนาเรียกว่าสติหรือว่าวิปัสนายานแต่เราก็สังสมไปจากสติตัวนี้แหละเพราะนั้นในใจของเราดึงต่อสู้กันตลอดเวลา ระหว่างความรู้สึกกับความไม่รู้สึกความคิดกับความไม่คิดน่ต่อสู้กันไอความคิดมันก็พาไปอยากจะคิดที่จิตหนึ่งก็บอกว่าให้รู้สึกก็พยายามรู้สึกถ้าเผลอไม่ได้มันก็คิดอีกสติที่จะดับระดับที่พาไปคิดนี่เราสติระดับสันชาตยานสติที่จะทำให้รู้สึกตัวเจีสติระดับรีปัชนายานถ้าคนไหนได้สติระดับ วิปัสนาญาณได้มากก็สามารถที่จะจัดการกับความคิดแต่ว่าไม่ได้หยุดความคิดนะพอสติระดับวิปัสนาญาณเกิดขึ้นคือรู้สึกตัวสติระดับสัญญาญก็หายไปสติระดับสัญญาญ น, นั้นเหมือนอ่าเหมือนเงาสติวิปัสนาญาณเหมือนแสงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแสงมันมาก เงามันก็บางลงไปถ้าแสงมันริบหรีลงเงามันก็หนาขึ้นถ้าสติความรู้สึกตัวเรามีมากสติที่จะพาให้เรานึกเราคิดมันก็น้อยลงไปแต่เมื่อไรสติความรู้สึกตัวเราน้อยสติระดับที่จะพาให้เรานึกเราคิดมันก็มากขึ้นจะสลับกันอย่นี้เรื่อยไปจนกว่าเราจะเปิดนาะดวงตาได้ทุกดวงหรือดวงตาของเราคือยานนะ ที่เราสวนมาไม่เช่จากขุทาาทิยานางอุทาปาทิปัญญาุทาปาทิวิชาุทาปาทิอารโรโกุทาาทิจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราจากสุในเทียนั้นหมายถึงอะไรจากสุหมายถึงญาณถึงปัญญาถึงวิชาถึงแสงสว่างในใจของเราไม่ได้เรารู้สึกตัวเราจะเห็นว่าความคิดมันหลบไปปั๊บไม่แร้วเราเผลอไม่รู้สึกตัวความคิดมันก็เกิดขึ้นสลับกันอยู่อย่างนี้เรื่อยไป จนกว่าความรู้สึกตัวของเราจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความคิดมันก็จะมาน้อยลงน้อยลงความคิดเนี่ยเราไปสะกดไม่ให้มันคิดจะไม่ได้เป็นอันตรายยิ่งเขาเรียกเก็บกดก็ยิ่งอันตรายเช่นคนที่เก็บกดมากๆเนี่ยวันไหนที่มันได้ระดับมันระเบิดออกมาเนี่ยนะมันสามารถฆ่าคนตายได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่มาเจริญสติระดับวิปัสสนานะี่ย เราก็จะต้องทําความดีด้วยการเก็บกดเรื่อยไปโือเฉพาะคนไทยเราเนี่ยมีธรรมเนียมประเพณีเยอะพราะฉนั้นอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอันโน้นก็ไม่ดีเมื่อไม่ดีเราก็ไม่ทําเมื่อไม่ทําแต่ว่าจิตมันอยากทําอ่ะะมาที่ที่เราเมื่อใดคิดเข้าย็นแล้วอยากกินอ่าเราก็คิดใช่ไหมพ็คิดจะไม่ได้กินเลยไงอ่อกูอยู่บ้านกูไม่ได้อดอยากขนาดนี้แล้วทําไมกูมาอดมาอยาก ควาิดไปพอรู้สึกตัวอ้าวความคิดมันหายไปนะพอรู้สึกตัวปั๊บมันเป็นแสงสว่างมันเป็นญาณมันเป็นวิชามันเป็นปัญญานะความรู้สึกตัวนี่นะแต่ว่าถ้ามันมีน้อยอยู่มันก็เป็นเพียงสตินะเป็นเพียงสติถ้ามันมีมากขึ้นเรียกว่าสัมปชัญญะถ้าีมากขึ้นก็เรียกว่าสมาธิมันมีมากขึ้นอีกเกาเรียกว่าปัญญามีมากขึ้นอีกเรียกว่ายานมีมากขึ้นอีกเร่าวิชา มีมากก็เดี๋ยวแวแสงสว่างเห็นไหมสติความรู้สึกตัวนี้น้อยก็เริ่มไปจากตัวนี้แหละเพราะนั้นเราจรึงทําให้เยอะไงทําให้เยอะเทียงแต่มานั่งทํำนี้ไม่พอนะเราจะต้องลุกจากนี้ไปเราต้องรู้ว่าเราจะลุกอย่างไรบางคนนั่งทําทั้งวันนะแต่ลุกออกไปลืมหมดเลยก้าวยกเท้าไหนก้าวก่อนหมุนซ้ายหรือหมุนขวาเห็นไหมเพราะงั้น สติจะพัฒนาตัวเป็นสัมปชัญญะต่อเมื่อสติเพียงแต่ ร, รู้ว่าลุกยืนเดินนั่งนอนแค่นั้นเองนะรู้สิตัวแต่พอเจริญสติไปสักสองสวันสติตัวนี้พัฒนาเป็นสัพพัญญะเวลาสวนอาพิกันเตปติกันเตสัมปชาาัญญากาลีขุติได้สวดหรือยังสวดแล้วใช่ไหมครูบาให้เราพาสวดทุกวัน ลุงพ่อเปิดงานที่ไหนลุงพ่อจะพาสวดสิประธานสีเท่านั้นอย่างอื่นไม่สวดตั้งนโมไ่ว้พร ะ, ะ้ท่าอย่างอื่นก็สวดมาแล้วว่าใช่ว่าช้าเย็ยนสวดกันทุกวันแต่ว่าสวดสิประธานสี่เพราะว่าเราต้องเอาไปใช้สวดบทที่เราจะเอาไปใช้บทที่เราไม่จะเป น, นั่งใช้ในบ้านเรากลับไปบ้านเราไปนั่งําว่าเช้าเย็ยนไม่มีแต่เพราะว่าพี่กันเตปฏิกันเตสัมบัชนากาลีหวติ มีความรู้สึกตัวทุกข้อมในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับไปข้างหลังแล้วก้าวหน้าถอยหลังที่นี่เรียกว่าเดินจงกลุม่มจะว่าก้าวหน้าถอยหลังที่บ้านต่างจากก้าวหน้าถอยหลังที่นี่ไหมต่างไหมไม่ได้ต่างแต่มันต่างกันตรงไหนที่ต่างมากมากก็ก้าวหน้าถอยหลังที่มีสติก็รู้ใช่ไหมแต่เวลาเราไปบ้านหรือที่นี่ก็ตามเดินไปเอาหน้าเอาท่าน่ะเรามีสติไหม ถ้าไม่มีนะั่นก็แสดงว่าการปฏิบัติของเรายังไม่เลื่อนไปนระดับที่สองเลยยังเป็นอะไรระดับแรกอยู่มาเดินจงปูมสร้างจังหวะที่นี่เท่านั้นออันที่สองไนดะ้บอกว่าอะโรกิเตวิเลกิเ ต, เเตสัมปชันน า, า, ารีโหติมีการความรู้สึกตัวท่วมในาการเหลี่ ย, ยวซ้ายไหลขวาวันนี้เหลียวกี่ครั้งแรกกี่ครั้งรู้สึกตัวบ้างไหมถ้ายังไม่รู้สึกตัวเลยแสดงว่าสติยังไม่พัฒนาเลย อันที่สามอะสัมมิชีเตปาซาลิเต้สัมมัจานกการีโหติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการคูกันหเหยียดเอเซวิยาวะอันนี้มาในพระเจ้ปิฎกนะยกมือเนี่ยถ้าใครมาทักท้วงว่าที่ปฏิบัติที่ไม่ไม่ได้มาว่าพระต่้ปิฎกนะอ้างได้เลยบอหนังสือลงตาสริยะที่สวดมาสัมมิชิเตปาซาลิเตแต่มจาจัดระบบเสื้อใหม่สัมมิชิเตคูเข้าปาซาลิเตเหยียดออกนี่เพราะฉะนั้น คู้เข้าเวลาเราเหยียดออกไปจับแก้วน้าเนี่ยกับคู่เข้ามากับการยกมือต่างกันไหมไม่ได้ต่างเลยแล้ว ร, รู้สึกไหมเวลาเราจับแก้วน้ำมาจอ่อดีเตซาดิเตมีความรู้สึกตัวที่พร้อม <c oughs> ในการดื่มการเคี้ยวการลิ้นเห็นไหมการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้น อุจจาระภาษาว่ากเมสัมปัานกาลีพุิมีความรู้สึกตัวทวกพร้อมเวลาเข้าห้องน้ำไปขาไหนก้าวเข้าห้องน้ำไปก่อนเท่าขามืออันไหนที่มันเปิดผ้าเปิดเสื้อแล้วก็ตะโพกที่หย่อนลงไปรู้สึกตัวไหมวันนี้ถ้ายังไม่รู้แสดงว่าสดิยังไม่ไดพัฒนาเลยนะตลอดถึงก <c oughs> ันกินกันดื่มกัน <c oughs> ขอโทษกันนั่ง การหยุดไม่ใช่การ น, นิ่งนะบางทีนั่งชั่งจังหวอืมนอยก็นิ่งมั่งแต่ไม่ต้องหลับตาแา่นิ่งแบบพลิกมือเล่นๆก็ได้อืถ้าเป็นพระนั้นว่าสังขาติปัตะเยวราธาเรเนสัมปชานาการีโหติมีความรู้สึกตัวทุกขพร้อมในการทรงสังขาติปาะจีวรแต่ถ้าเป็นเราก็มีความรู้สึกตัวทุกขพร้อมในการใส่เสื้อผ้าแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวมีหรือยัง ยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นไปเพิ่มนะไอ้สติที่มานั่งสร้างจังหวะยกมือทีนี้ไม่พอนะเพราะอะไรเราคิดมากเท่าไหร่ต้องสร้างความรู้สึกตัวมากเท่านั้นแต่ต้องสร้างให้มากกว่านั้นไม่งั้นมันไม่เหลือสมมุติเราหามาร้อยหนึ่งใจร้อยหนึ่งพอดีกันถ้าสมมุติเรารู้สึกตัวร้อยครั้งแต่เราคิดสองรอยครั้งเหลือไหมความรู้สึกตัวเราไม่เหลือวันนี้คิดกี่ครั้งจําได้ไหมหนุ่ม เยอะเกินไปหรือไม่ได้คิดเลยเยอะใช่ไหมนับไม่ได้แต่สตินี้นับได้ทํามาวันนี้ถึงสิบสองชั่วโมงเลยยังสร้างสร้างจังหวะเร่นจงกรมลงแล้วถึงสิบสองชั่วโมงไหมต้องคิดขนาดนั้นนะฮอตหนึ่งเด้งต้องให้น้อยอย่างน้อยแปดสิบชั่วโมงเจ็ดวันวันในสิบสองสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่แปดสี่สี่ชั่วโมงให้มาได้อย่างน้อยแปดสิบชั่วโมงแต่ว่าในสิบสองชั่วโมงเนี่ยเอาละเรานอนซะ หกชั่วโมงกินข้าวอาบน้าจะกีนข้าวสามชั่วโมงอาบน้ำแค่สามชั่วโมงเป็นหกชั่วโมงสิบสองใช่ไหมนับเวลาพักนเ้วนอนหชั่วโมงกินข้าวอบพาผ่อนแ่หกชั่วโมงสิบสดสองชั่วโมงมนัั ง, งจงวเดินช ก, กมที่ถึงหมถ้ามันับเอาเจากเวลาทานะแต่ว่าลุกไปเข้าห้องน้ำตักอาหารถ้าไม่รู้สึกตัวเลยเนี่ยโอ้ เราต่ํากว่า80ชั่วโมงแน่ๆเลยวันหนึ่งก็งให้่คอร์สหนึ่งเจ็ดวันเนี่ยให้ได้อย่างต่ํำ80ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าใครบวกเข้าไปตัวนั้นอีกเนะี่ยเข้าห้องน้ำก็รู้ตัดอาหารก็รู้ลุกไปพิกคนนั้นจะรู้สิบตัวก่อนเพื่อนได้รูปนามก่อนเพื่อนนั้นเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้นับกันเป็นวันนะนับไปเป็นนาทีเลยนะเวลาลงเข้าไปจัดอบรมเนะี่ย ต้องมาตกลงกันเลยคุณจะนอนกี่ชั่วโมงงานงานเนี่ยเศรษฐีพระนอน 4, สี่เศรษฐีนอนหกยายจกนอนแปดคนเก็บคนอ ด, อดแอดนอนเก้านอนสิบชั่วโมงแต่เราคงไม่ถึงใช่ไหมนอนเท่ากับพระไห้สี่ชั่วโมงนอนสี่ทุ่มตีสองตื่นแล้วพระมาที่นี่อนุโลมเราตอนสามทุ่มตื่นตีสามได้หกชั่วโมง เพราะฉะนั้นเราจะเป็นพระหรือจะเป็นเศรษฐีหรือจะเป็นยาจกหรือจะเป็นคนป่วยอ่าเลือกเอาได้ทางการปฏิบัติเหมือนกันถ้าเราอยากจะเป็น <c oughs> ขอโทษอยากจะเป็นเศรษฐีนะหกชั่วโมงแต่ว่าความรู้สึกตัวทุกพร้อมที่เรายกเนี่ยเราได้ทุกครั้งไหมสิบสี่ครั้งเนี่ยสร้างจังหวะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่ได้ทุกครั้งไหมและควารู้สึกตัวทุกครั้งไหมนะไม่แน่บางคนสิบสี่ครั้งอาจจะได้แค่รู้สึกตัวแค่สองครั้งนะบางคนนั่งหนึ่งชั่วโมงรู้สึกตัวจริงๆอาจจะไม่ถึงส0นาทีตลอดอ่านั่นก็ห้าสิบนาทีคิด เรื่องบ้านคิดเรื่องอาหารคิดเรื่องที่นอนคิดเรื่องอากาศคิดเรื่องสารพัดรวมๆแล้วมันเอาไปกินเลยห้าสิบนาทีแต่เรารู้สึกโไปกิงแค่สิบนาทีไม่พอนะอย่างน้อยต้องครึง่ตรงต่อครึง่งคิดต่อละนาทีทีเดียวเพราะที่เรามาทําเนี่ยเรามาเพื่อถ้าความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยความอยก <c oughs> ากคนอยากที่มันมาในนามของความคิดนี่นะมันก็จะหายไป ความอยากมีอยู่สามประเภทใช่ไหมหนึ่งอยากได้อ่าสองอยากเป็นสามเมื่อมันไม่ได้ไม่เป็นตามที่อยากก็ไม่อยากได้ละมันมีสามอยากแม้แต่ไม่อยากได้ก็เป็นความอยากแค่นิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นตามอยากของเราอืแล้ว น, นั้นเองตลอดปีหลวงพ่อทํางานเนี่ยไม่ได้พักไม่ได้พักผ่อน อยู่ที่อเมริกาแค่หกเดือนที่เมืองไทยสามเดือนออกเดือนเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เหลือสามเดือนมาเทียวนี้เอาเดือนพฤษภาฯนี่กลับละเพราะฉะนั้นคนต้องการกันทั่วโลกเลยเรื่งเจริญสติแบบนี้นะเดี๋ยวนี้มีฝรั่งสอนด้วยนะที่ภูเก็ตวันนั้นไปเปิดตบรมอยู่ที่ลานนามีฝรั่งสามสี่คนกคโคนตั้งใจมากคนหนึ่งสามวันได้ได้ได้รูปน้ำได้อารมณ์รูปน้ำ เพราะว่าเราตั้งใจกันอย่างดีเบื้องแรกที่สุดเนี่ยทําขอทําความเข้าใจก่อนเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยทําความเข้าใจว่ามาทําไมมาเพื่ออะไรแล้วมันได้อะไรให้ถามทุกคําถามในช่วงสามวันเนี่แต่ใ น, นเมื่อคุณไม่มีคําถามทุกคําถามแล้วสี่วันที่เหลือคุณต้องทําเต็มที่นะพราทําเต็มที่ได้เรื่องเลยเพราะมันไมีมคําถามแล้วแต่เราทำด้วยความสงสัยทําไปทำไมทไมําเพื่ออะไรมันได้อะไรเนี่ยทุกวันมันคิดแต่อย่างนี้เสียเวลาทั้งเ็ดวันเลย เพราะนั้นจำเป็นต้องตกลงกันก่อนด้วยสาวันในคุณหายสงสัยก็ยังว่าคุณมาเพื่ออะไรมาเพื่ออ่ามาสร้างความรู้สึกตัวเท่านั้นไม่ได้บอกว่ามานั่งคิดนะบ้านอยู่กันมาช่วงนาตาปีไม่ต้องคิดถึงมัน อ, อาหารกินมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่ต้องคิดถึงมันอร่อยเมื่ออร่อยกินแต่มานี่มาเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวแต่ว่าความรู้สึกตัวต้วตองก้าวหน้านะแค่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวได้ไม่พัฒนาเป็น สัมปชัญญะไม่พัฒนาเป็นสมาธิไม่พัฒนาเป็นปัญญาไม่พัฒนาเป็นญาณไม่เว้นจะเป็นวิชานี่โอเรายังไม่ก้าวหน้าทีเดียวเพราะงั้นเบื้องแรกเนี่ยแค่พัฒนาแค่สติสัมปชัญญะและสมาธิแค่สามอย่างนี้ก็พอกัน <c oughs> แค่สามอย่างนี้ก็ทําให้เราเห็นรูปนามได้แล้วรูปคืออะไร <c oughs> เห็นตัวเองไหมวันนี้เห็นตัวเองเห็นความรู้สึกถ้าพูดถึงรูปนามเนี่ยเนื่องจากเวลาสั้นผมก็จะลัดไปตรงนี้เลย ว่าการรู้รูปนามรู้อย่างไรในรูปนี่มีนามอยู่แล้วเรานั่งอยู่เนี่ยเรารู้ว่าไงเรารู้สึกว่าปวดเนี่ยอะไรมันบอกว่าปวดหนาวเนี่ยอะไรมันบอกว่าหนาวรูปมันบอกได้ไหมรูปบอกไม่ได้แต่อะไรบอกเรานามบอกเราเพราะว่าเวทนาเนี่ยมันเป็นทั้งรูปทั้งนาม นะมันเป็นนามรูป ก, ก็ได้ลูกนามก็ได้นะเวทนานี่ยนะอยูความรู้สึกความรู้สึกตัวหมายถึงที่เรากำลังจับไอ้รู้สึกแต่ความรู้สึกเจ็บเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นเวทนาความรู้สึกปวดขารู้สึกสาวรูเป็นทุกขเวทนาเราก็บาบัดมันใช่ไหมเวทานาหายไปแล้วใครเป็นผู้บอกให้ปริกรสติสัญชาตญาณมันบอกว่าปวดแต่ว่าใครเป็นผู้รู้ว่ามันปวด เมื่อคิกแล้วความปวดหายไปใครเป็นผู้รู้นี่คือสติประฐานเห็นไหมสตีทําหน้าที่ต่างกันนะแล้วนั่งไปหนาวแล้วหาผ้ามหม่มเป็นสีริระดําไหนสันชัดยานแมนะ้แต่สุนัขมันก็ยังรู้จักห่มผ้าองอขนมาเยอะๆเนืามันหนาวนะมันก็เอขนออกมาเยอะๆมาทำมาติช่วยมันแต่สุนัขมันไม่รู้ว่าหนาวมากหนาวน้อยเป็นยังไงแต่คนเรารู้ หนาวมากโอ้รู้สึกอย่างนี้เนาะนกลัวกลัวเจ็บกลัวป่วยน่ะทําให้หนาวหนาวน้อยลงหน่อยนี่นั้นสติที่จะช่วยเราก็คือสติในระดับสัญชตาตญาณช่วยกายแต่สติในระดับปัญญาญาณช่วยจิตอ่าถ้ามันหนาวมากๆจิตของเราก็กลัวแล้วเข้าไปดูความกลัวดังนะั้นมันหายกลัวจิตที่ สติที่ทําให้หายกลัวกลัวหนาวเนี่ยสติสัญชาติญาณช่วยไม่ได้นะแต่สติประธานช่วยได้ทำให้หายกลัวกําหนดรู้ไปถามลุงดาวว่าโอ้เอาคนมาเดี่ฝนตกงี้เขาไม่หนาวแย่เลยเอาให้เขากําหนดรู้เอ า, อางั้นนะเบากงคนดรู้บางคนยังไม่มีสติที่จะรู้เลยอ่ะมันก็แย่เหมืนกันนะบอกว่า โ, โ, โ, โอ้ไม่ได้ว่ากรรมานมาอย่างซาดิชไม่ได้นะต้องคํานึงถึงความเป็นจริงว่างกันแล้วกันนะก็คํานึงถึงตามอีสีของคนนะ ว่าคนไหนมีอีซีอย่างไรเนี่ยสําคัญรู้จักอีซีเออต้องบางบางอย่างเยมันเจ็บเกินมันหนาวเกินเนี่ยเราก็โอ้มันไปอยู่ความหนาวตลอดเวลามันก็จิตของเราก็กลัวพวกกลับไปที่เกิดไม่สบายไปเงี้มันก็กลัวรูงหน้าน่าเพราะฉะนั้นเราก็สร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกจะช่วยยังไงช่วยป้องกันตัวเองรู้สึกหนาวมากเป็นไปก็หาผ้ามาโฮมไม่ใช่กําหนดรูปมันหายหนาวไม่ได้มันคนละหน้าที่กัน หาผ้าบาหมหาเชื้อมาใส่นะให้มันพอบรรเทาให้เบาบางได้ทีนี้ไอ้สติที่เป็นปัจฐานเนี่ยสติปัฐานเนี่ยเริ่มต้นตรงตรงไหนเริ่มที่ว่าเจตนานะเนเจตนาตั้งตั้งใจนะตั้งใจยกคือตั้งหลายๆครั้งเนะี่ย มันล้มไปก็ตั้งอีกมันล้มไปก็ตั้งมันล้มไปก็ตั้งเพราะสติของเราเนี่ยเคยล้มเป็นร้อยขนพันหนุนวันหนึงล้มไปกับอะไรล้มไปกับความคิดความคิดดึงเัาไปกินหมดสติที่เป็นสงจันทร์คิดปั๊บมันก็ไปแล้วก็รู้ว่าคิดนะแต่ออกไม่ได้คิดอยากกินอาหารอ่าคิดอยากจะ น, นอนที่อุ่นๆคิดไปอ่าจินตนาการพอรู้สึกว่าอามันคิดไปแล้วนี่ รู้สึกว่าคิดเนี่ยตัวนี้เป็นสติปัฏฐานแต่ที่คิดไปหาผ้าหาเสื้อมาให้อุ่นเนี่ยเป็นสติสัญชาตญาณเมื่อแยกสติสองระดับีได้เราก็แก้ไขตามเหตุปัจจัยไม่ให้มันหนาวเกินไปไ ม, <c oughs> ไม่ให้มมันปวดเกินไปไม่ให้มันเมื่อยเกินไปนะให้บำบัดมันมาเลยเพราะนั้นทุกขเวทนาทางกายต้องบำบัดบำบัดจนตายหนักเบาแล้วแต่อาการแต่ทุก ที่เป็นทางจิตใจเนี่ยที่เป็นทุกข์อริยสัตว์นะคือทุกข์สองด้านจิตใจทุกเกิดจากอาหนาวบําบัดหนาวไม่ได้ตามอยากก็เป็นทุกข์ร้อนบําบัดร้อนไม่ได้ตามอยากเป็นทุกข์ในใจตอนแรกมันทุกข์กายอย่างเดียวเนี่ยพอกลัวเขาเ้าไปในใจปั๊บทุกข์ที่จิตตัวนี้ะระดับสัญยานเอาไม่ได้แล้วต้องเจริญสติตัวนี้เข้าไปอ่าเจริญสติตัวนี้มากเข้ามากเข้า ดังนั้นที่มาเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่มีใครบังคับนะไม่มีคบังคับให้มาไม่มีใครบังคับให้ทำแต่เราเป็นความอยากรู้อยากออกจากทุกของเราโดยเรารู้ว่าตัวคิดตัวความอยากทั้งหลายเนี่ยมันกลัวความรู้สึกตัวเพราะความรู้สึกตัวมันแสงสว่างความคิดและความอยากทั้งหลายมันเป็นความมืดนะมันมากับความมืดเพราะนั้นไอ้การที่ไปไล่ความมืดเนี่ยนอกจากแสงสว่างไม่มีอะไรไล่มันได้เลย พอเปิดแสงสว่างขึ้นปั๊บเนี่ยมิติแห่งความมืดมันก็หายไปอ่าแต่พอเราไม่รู้สึกตัวปับ๊บความคิดคือความมืดเข้ามาแล้วอ่าบางทีมืดถึงแปด้านเลยนะมืดครบทุกด้านร อ, อบตาหัวจมูกลิ้นกายใ จ, ใจมืดหมดข้างลา่างข้างบนโดยแปดด้านอ่ามันฆ่าคุณได้ถ้ามืดแปด้านนะี่ยมื่ความคิดมันเข้าหมดเลยแต่พอเรามาสร้าง ความรู้สึกตัวมากเข้ามากเข้ามาเข้าเนี่ยความรู้ตัวเหมือนกับไฟฟ้าที่มันจะสว่างมันจะสายสองขั้วใช่ไหมขั้วอะไรนุ่มข้อลบกับข้อบวกพส s i t i v e negative เพราะว่าเมื่อสองกระแสะมาม า, มาเจอกันปับ๊บมันก็สว่างจะหากว่ามันมาแต่กระแสะบวกสว่างไหมไม่สว่างมาแต่กระแสะลบไม่สว่างกระแสะบวกกระแสลบมันเจอกันมาเจอหลอด เ, เป็นแสงสว่าง กระแสกายกับกระแสจิตมากระทบกันปั๊บเกิดความรู้สึกตัวสว่างแต่ถ้ากระแสใจกระแสกายไปโคจรทิศเรานั่งตรงนี้แต่ว่ากระแสจิตที่ไปตรงนู้นมืดไหมมืดทันทีอ่ามันมีแต่กระแสบวกกระแสลบมันไปอีกทางหนึ่งถ้าดึงกระแสลบมาถึงปั๊จะเป็นกระแสบวกกระแสลบมาจุกันปั๊บแสงสว่างคือรู้สึกตัวเกิดขึ้นนั่นการที่ดึงกายกับใจมาอยู่ด้วยกันคือสร้างแสงสว่าง คือความรู้สึกตัวขึ้นมาเหมือนไฟเมื่อมีสองกระแสสองขั้วบวกมาเจอกันปับ๊บเกิดแสงสว่างอ่าแต่ถ้าเรเจอกันไม่มีหลอดที่ดีนะมันก็ชอ็อตกันก็เอาหลอดที่มาใส่หลอดที่ทําให้แสงสว่างนี่เองเขาเรียกว่าปัญญาน่าหลอดไฟทําหน้าที่เป็นยาและทําให้ดวงตาเราเห็นความจริงเขาเรียกว่าญาณและรู้จักวิธีทําำเรียกว่าวิชา แล้วเห็นจิตของเราที่ไม่มีทุกข์เรียกว่าแสงสว่างเห็นไหมมาทำงานร่วมกันหมดเลยนะปัญญาวิชายยานแสงสว่างแต่เราไม่ต้องรู้ขนาดนะั้นรู้ว่ารู้สึกตัวชัดๆแค่นั้นแหละรู้สึกชัดความความคิดถายไปความมือถายไป <c oughs> น่ะอันนี้คือ ก, กฎของมันที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะพระพุทธเจ้าค้นพบแล้วท่านก็เอามาทดลองกับ พวกสาวกทั้งหลายพวกสาวกทั้งหลายก็ทําตามก็ได้เหมือนกันเพราะได้แล้วก็บอกกันต่ อ, ต อ, ตอมาเป็นเวลาสองพันกว่าปีแล้วพวกหลวงพ่อก็มาเจอครูใบาชาเขาก็บอกก็ทําตามก็เจออ๋อเมื่อก่อนกายเราอยู่ที่ดีใจเราอยู่ที่หนึ่งมันไม่อยู่ร้อยเปอร์เซนต์กายอยู่ที่ดีรอยเปอร์เซนแต่ใจมันอยู่แค่สิบเปอร์เซนแต่ไม่อยู่เรื่องที่เราคิดสแปดสิเอร์เซน แต่พอเรามารู้สึกตัวเนี่ยดึงกระแสที่มันกำลังคิดกำลังนึกเข้ามาอยู่ที่ร้อยเปอร์เซนกาแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นรู้สึกตัวแต่แสงสว่างนี้เกิดขึ้น น, น้อยตอนแรกพอทําบ่อยเข้าเบอรเข้าใกลยกับใจมาเจอกันบ่อยเข้าเบอรเข้าเป็นไงมันก็ทําให้เกิดตัวพัฒนาการขึ้นมาแสงสว่างเกิดขึ้นนะดังนั้นทุกคนที่เข้ามาให้เข้าใจว่าเรามาเพื่อสร้างแสงสว่างพอรู้ว่าเมื่อใดใจออกไปเนี่ยมันมืดใจอ่ แต่มันไม่ได้ออกไปร้อยเปอร์เซนตหรอกแค่เจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซนตอีสิบเอร์เซตมันก็รู้อยู่นะเราทําอะไรบางคนร้องเพลงไปด้วยก็รู้คิดไปได้วก็รู้อเขียนหนังสือไปได้วยก็ ร, กกรู้มันแบ่งไปอย่างละห้าสิบเปอร์เซนตมันไม่เต็มที่อ่ะแค่รู้สึกตัวทั่วพร้อมมันมันระ้อยเปอร์เซนนะรู้สึกที่ตัวนะบางคนเขารู้สึกไงหลวงพ่รารู้สึกที่มือไม่ใช่รู้สึกทั้งตัวแต่มือนี่เป็นตัวสื่อเหมือนกับเรากดไฟแช็คเนะี่ยแป๊บ แล้วไปจุดเซทิเอนเซทิเอนติดปับ๊บมันก็สว่างไอ้ตัวที่ไฟแช็กก็ดับไปเพราะนั้นเรายกแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกับเรากดไฟแช็กขึ้นมาแล้วไปจุดใส่ความรู้สึกตัวรู้สึกที่ตัวแต่ตัวนี้เป็นตัวสกิดตัวสปาร์คให้เกิดแสงสว่างตัวนั้นนะะบ่อยๆจนกระทั่งมันกลายเป็นอัตโนมัติเมื่อความรู้สึกตัวนี้มันซึมซาบเข้าไปแอบซอบซึมซาบในร่างกาย <c oughs> มา่เข้ามาเข้าเนี่ยสัมปชัญญะมันก็เกิดแต่แรกนี้คนรู้สึก ต, ตัวบางส่ว น, นยังไม่เป็นสัมปชัญญะเมื่อไใดสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมปั๊บเนี่ยมันก็จะความรู้ความเข้าใจก็จะไวขึ้นเห็นรูปอ๋อเรานั่งอย่างนี้มันไม่ใช่รูปมันไม่ใช่เรานะมันเป็นรูปไอ้ที่เรามาเรียกทีหลังว่าเราสมมุติเนี่ยเราไจากสมมุติขึ้นมาแล้วรู้จากรูปจากนามหน้า ก็กายเรานี่เหมือนกระศพนะแต่พอมีความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวก็กลายเป็นตัวนามขึ้นมาทําให้เรารู้มีเรีนนานะแล้วนั้นเองตัวรู้สึกน้อยเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอะไรได้แต่ว่ามันเป็นนะเหมือนกับเราตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันกับเม็ดเม็ดผเร็ดเมล็ดพืชเนี่ยเมล็ดมะขามนี้นะเมล็ดมะขามเนี่ยเป็นเมล็ดแต่พอเอาไปลงดินรดน้ํามาทุกวันทุกวันเมล็ดมะขามก็แตกเป็นอะไร เป็นใบมะขามอ่าเป็นต้นมะขามเล็กๆพอโตขึ้นมาแตกกิ่งมะขามใบมะขามขึ้นไปเรื่อยๆโตขึ้นไปตัวสติสัญชตาตญาณนะี่ยมันเป็นเหมือนเมล็ดแต่พอเอาเมาเล็ดนั้นมาใส่รูปกับน้ำคือความรู้สึกตัวมันก็เหมือนเราลดน้ําทุกวันลดน้ํามีแสงสว่างขึ้นมา ต้นสติตัวนี้โตขึ้นตโตขึ้นเขาเรียกว่าต้นอะไรต้นโพโพทิปัญญาเขาดีไหมพุทธิาติจะรู้ได้ต้นอะไรนะต้นโพโพเดินนั่นไม่ใช่โพที่อินเดียนะโพที่ไหนโพที่ปัญญาคือสติสัมปชัญญะที่มันถูกรดด้วยความเพียรถูกรดด้วยความเอาใจใส่ที่เราเอาใจใส่มันทุกวันทุวั น, นมันก็เติบโตบางคนภายในเจ็ดวันที่เติบโตเลยนะเพราะว่า ต้นไม้ต้นมะขามเนี่ยอีสิปีที่สิปีโตที่จะเป็นหมากเป็นผลแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยบางทีโตขึ้นเดียวอย่างพระพุทธเจ้าของพระเจ้าโตขึ้นเดียวเนี่ยเป็นหมากเป็นผลเลยเป็นพ้นทุกข์เลยแต่ของเราเนี่สติปัญญาไม่ถึงท่านก็เจ็ดวันสิบห้าวันเดือนสองเดือนปีสองปีไม่เกินเจ็ดเจ็ดปีนะทําถูกนะจะทําไม่ถูกบางทีอาจจะเป็นตลอดชีวิตก็ยังไม่รู้ก็ได้เพราะฉะนั้นความถูกต้องเป็นเรื่องสาําคัญ ในเบื้งต้นที่สุดเนี่ยหลวงพ่อจึงเน้นด้วยว่าสัมมาทิฏิก่อนคือทําความเข้าใจให้ทุกง่าทุกหมุมเรื่องสมาทิฏิไม่เข้าใจตรงไหนทําความเข้าใจกันก่อนอรู้ยังไงรู้สมาทิฏฐิรู้ว่ากายเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกนะทุกขเวทนาตลอดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหิวเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเบื่ออ่าเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดตลอดเวลาเพราะร่างกายมันเหมือนสุคุนป่ยแต่สติปัญญาของเราที่จะฝึกเนี่ยเราสร้างหมอขึ้นมา เพื่อรักษาคนป่วยเพื่อรักษาทุกขเวทนาอันนี้ให้มันเบาบางแต่ที่ทุกขเวทนายิ่งกล้ายิ่งแข็งนะมันก็ยิ่งทําให้เราเจ็บปวดเพราะฉะนั้นในโพธิราชกุมารสูตรมีอยู่ข้อหนึ่งว่าทําให้เวทนาเบาบางอธรรมะบางสายว่นั่งไปนั่งให้มันทะลุเลยนะเจ็บปวดช่มันอีนะ่ทำร้ายตัวเองนะเจ็บร่างกายเขาไม่รู้เรื่องไปทรมานเขาไม่ได้อเขาไม่รู้เรื่องแต่ว่า ใช้เขาเป็นเครื่องมือได้อยู่เจ็บให้มันทนได้ถ้าทนไม่ได้ก็เอาความรู้จากเขาเวลาเราเปลี่ยนนียบทถ้าเรารู้รู้สึกตัวในการเปลี่ยนอทุกครั้งไม่เสียหายทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแปลงให้รู้สึกชัดๆว่าความปวดเมื่อยที่มันหายอย่างไรเวลาพลิกไปแล้วความสบายเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรให้รู้แต่การนั่งนานๆโดยที่ปล่อยให้เวทนาฆ่าตัวเองเนี่ยโดยที่ไม่รู้สึกตัวอันนั้นต่างหากที่เสียเวลาแล้วทำร้ายตัวเอง แต่เจ็บปวดให้ทนให้ได้ก่อน่แต่หากว่ายังไม่ทันทนเลยยังไม่ทันที่จะอดทนเลยเปลี่ยนมาแล้วอันนี้ก็ไม่ได้เนะเราจะไม่มีความอดทนทนจนทนไม่ค่อยไหวค่อยเปลี่ยนในขณะเปลี่ยนเราก็รู้ว่าตัวรู้สึกหนักๆปวดปวดไม่ที่มันหายไปได้อย่างไรมันหายไปที่ไหนพอนั่งนี้ปวใหม่ความสบายมันเกิดขึ้นอีกทีหนึงแป๊บเดียวนะชั่พักมันก็ค่อยหนักๆๆๆๆขึ้นก็รู้มันหนักขึ้นอย่างไร ยนไปถึงที่สุดทนไม่ได้ลราก็เปลี่ยนไปยุ่งเนี้ยอันนี้คือดูเวทนาให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เอาเวทนามาฆ่าตัวเองใ <c oughs> นกรรมฐานวางสายมีนะดังนั้นในวิธีการของหลวงพ่อเทียนีคือใช้ทุกอย่างเป็นเครื่องมือใช้รูปเป็นเครื่องมือให้รู้สึกตัวใช้เวทนาเป็นเครื่องมือใช้จิตเป็นเครื่องมือใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสติเรียกสติปัฏฐานสี่ ใช้มันเป็นเครื่องมืออ่ใช้เป็นเครื่องมืออย่างไรคือใช้ให้มันเกิดความรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจเยอะๆเมื่อมันรู้สึกเยอะๆแล้วสติสัมมาชยะมันก็หนักแน่นขึ้นหนักแน่นขึ้นเหมือนเราลดน้ําใส่เมล็ดมะขามเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวเมล็ดมันก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเราใส่ความรู้สึกเข้าไปความรู้สึกนี่เหมือนน้าที่หยดเข้าไปแต่ละหยดแต่ละหยดแต่ละหยดโคที่ปัญญาของเราก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นทุกคนที่มาเนี่ยจึงไม่มีบังคับไม่มีใครบังคับให้มาแต่มาแล้วต้องทําความเข้าใจกันว่าเรามาทําอะไรเพื่ออะไรได้อะไรเห็นอะไรแล้วเทาสิ่ตามเอาไปทําได้ไหมอ่าที่มานี่มารับหลักการเพื่อเอาไปทําเองนะไม่ใช่ว่าทําแล้วไม่รู้จกจบไม่ใช่เอาไปทําเองให้ได้แต่กลับมาอีกนี่ถือเป็นนักเรียนสอบตกน ะ, ะแสดงว่าไม่ได้เอาไปทํานะมานี่มาเอาหลักการเราเหมือนว่าเอาการบ้านกับพระแล่าไปทําดู และยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็มีขูดเหยียดเคลื่อนไหวอยู่ที่ไหนก็มีการเคลื่อนไหวทำการทํา ง, งานอยู่ที่ไหนี่นี้แต่มานี้ให้ขูดเหยียดเคลื่อนไหวอย่างใหญ่อย่างรู้สิบตัวการทําการทํางานอย่างใหญ่อย่างรู้สิบตัวแค่นั้นเองมีเรื่องเล่านีน่ถึงนะกออ็มีพระกัโยมเนี่ยไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพที่จ้ก็ตรัสเรื่องสติปัฏฐานสีที่อย่างหลวงพ่อพูดนี่แหละ พอเสร็จแล้วพระรูปนั้นก็คิดไปทางหนึ่งโยมก็คิดไปทางหนึ่งฟังธรรมะกันเดียวกันคิดไปคนละทางพระก็คิดว่าโอ้โหธรรมพระพุทธเจ้าเทศน์วันนี้ฉันไม่เคยได้ยินฉันต้องทำให้เต็มที่เลยอ่าแต่ว่าพระตรงนี้ทําไมพาโยมคนนมาฟังเพราะโยมคนนี้ใส่บาปพระองค์นี้เป็นประจำแต่ตัวเองยังไม่มีธรรมะเนี่ยการที่ยังไม่มีธรรมะที่จะให้โยมได้กลัวเป็นบาปใช่ไหมแล้วก็ไปชวนโยมมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังดีเพอวันนั้นพระพุทธเจ้า เทพถูกใจก็เลยตั้งใจเอาละต่อไปนี้เราจะตั้งใจปฏิบัติเยอะๆเก็าแบบกดแบ ก, ก, แ บ, กบาดเข้าบาไปตั้งใจอย่างมากเลยไปทรมานาปานาสตินะซึ่งอังไม่ถูกเกตฑของตัวเองทําไปทํามาหลายวันหลายเดือนเข้าหลายวันหลายเดือนเข้าสติธรรมญาติที่เกิดจากลมหายใจเนี่ยมันก็เลยทําให้จิตสงบเพราะจิตสงบก็เข้าฌานเข้าสมาบัตเขา้าเป็นลิศเป็นเดชขึ้นมามีปฏิหารมีอํ า, าอนาจ อะไรต่างๆขึ้นมาพราะองค์ น, นี้ก็สําคัญตัวเองว่าได้บรรลุธรรมแล้วเป็นเวลาสามปีควจะได้ข้อสรุปเสร็จแล้วก็นึกถึงใครก่อนรู้ไหมนึกถึงโยมคนนั้นโยมคนนั้นที่ใส่บาทให้เรากินทุกวันทุกวันจะเข้าใจเหมือนเราไหมจะเห็นธรรมเหมือนเราไหมปรากว่กโยมนึกว่าเข้าใจเหมือนกันโยมเข้าใจว่าโอ้พรุทธเจ้าท่านบอกว่าเอาไปทําที่บ้านก็ได้เนี่ยหยิบยักยักช่วยหุงข้าวตุ๋มแกงเก็บผักหักฟืนทําให้หมด เข้าห้องน้ำห้องท่าทั้งโยมคนนั้นก็เริ่มจับสติตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปสามปีเหมือนกันป่าคนนี้วโยมคนนี้จิตทันความคิดหมดเลยจนบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีเป็นพระอริยะบุคคลขั้นที่สามสามารถรู้จิตคนได้พระองค์นี้ก็ได้ฤทธิ์ได้เดชออกจากป่ามาแต่เช้าตื่นแตเช้าเลยคว้าบาดไปเพื่อจะไปถามโยมว่าได้อะไรบ้าง พระเบอกโยมว่าฉันได้บรรลุธรรมแล้วนะก็หอบบาทเท่าไปิบาทโยมก็เห็นพระนั้นดือพระนั้หายไปในทั้งมปีคงไปปฏิบัติมาก็วันที่จะสอบอารมณ์ว่าพระปฏิบัติถึงไหนพอพระไปถึงหน้าบ้านโยมก็ตามพอพระไปถึงหน้าบ้านโยมก็กุรีกุจยไสาใช่มทุกครั้งแต่วันนี้ไม่ก็ปล่อยพระรออยู่นั่นนาทีจะได้ สีลไม่ทีก็ถือเอาขันข้าออกมาใส่บาตก็ถามท่านหายไปไนมาทั้งสามปีถามคำก็เฉยสองคำก็เฉยโยมก็เอาทันทีเลยเสียดายนะท่านท่านไปบาเพ็ญในป่าได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการเอามารู้ไหมว่าท่านมายืนดูนิสัยม่ทีท่านท่านด่าโยมยังไงทุกคำเนี่ยฉันรู้ ท่านใดอย่างนี้ใ่มท่านใดออกมาเป๊ะๆหมดเลยพระองนั้นตกใจอะไรมาอยู่นี่พูดอย่างนี้โยมออกมาได้หมดแต่เราไม่รู้เพราะอะไรโยมก็สอนกรรมฐานพระทันทีเลยว่าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทําน่ยเป็นคําสอนของคุณเจ้าก็จิงไม่ใช่ท่านตรัสถึงสติปัฏฐานสี่แต่ท่านไปทําสติปัฏฐานสี่แต่ว่าไม่ถูกกับอินียของตัวเองแล้วเข้าไปในสงบเป็น ติดสงบเป็นริดเป็นชานเป็นอะไรออกมาไม่ใช่คําสอนผู้ดูชาวอันนั้นผุุ้ชนเขาก็ทำได้แต่ท่านสําคัญตัวเองว่าท่านมรรู้ทําด้วยท่านก็กลับไปทําใหม่ก็แล้วกันพระต ก, กใจเลยถามอยู่ว่เาเราโยมทํำยังไงเลยได้เปิดใจอ่านคุยกันทีนีน้โอ้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอยากเนี่ยท่านบอกให้ไปกําหนดรู้สึกตัวจะทําอะไรโยมก็ทําตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันเนี้ยแล้วท่านไปทําอะไรอยู่อ๋อฉันไปทําอันนั้นอ่ะไม่ใช่ทางุองพระนั่นเป็นทางพรามในที่สุดเห็นไหม พระรู้ไวเกยงเออขอโทษโยมรู้ไวเกอพระแล้วก็รู้ถูกด้วยเป็นพระอนาคามีเป็นอริยบุคคลขั้นอนาคามีแต่พระยังเป็นพุทุชนอยู่เลยนะแต่ผิดทางไปได้นิดได้เดชไดฌานเพราะอำนาจสมาธิมาทุกวันเป็นอย่างนั้นนะ่ะน่าสงสารพระนะทุกวันเนี่ยแล้วบทมานานๆคิดว่าตัวเองรู้ธรรมะเยอะไปสอนโยมนะแต่ความจริงโยมเขาปฏิบัติ ใชีวิตจวันแล้วพระก็ไปติดรากติดยศติดวัดติดว่าติดครูบาอาจารย์เอาเยอะงั้นแหละเพราะฉะนั้นโยกตึ้นสูงศาลพระนะะเห็นพระที่อยู่กับวัดได้สอนได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นครูอาจารย์เสมอไปนะบางทีติดวัดออกจากวัดไม่ได้เลยนะแค่ออกกูศึกดีกว่นานะขณะนั้นนะ่ะติดขณะนั้นนะ่ะไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเองน้าสงสารพระมังมาอามาก็ไม่รู้จะทําทไงก็ลแล้วกำใครกำมันก็แล้วกันเพราะว่าพรที่เจ้าที่สอนมาถูกทุ่นนี้หมดครูบาอาจารย์ที่สอนถูกทุนนี้หมดแต่ว่า แต่จิตมันไม่เอาอ่ะจิตมันคิดไปอีแบบนึงน่งอ่ะอ่าแล้วตามวัดต่างๆวันนี้หลวงพ่อเขาทินทาวัดด้วยพระเลี้ยงหมาเต็มเลยอาจารย์คงจิตท่านบอกโอ้อยาให้ผมอยู่กุฏินี้หมาข่าพุ้งเลยหลวงพ่ไปอีวัดนึงท่านไม่เลี้ยงเขหาห้บิณฑบาตได้มาเยอะก็เลยไม่รู้ที่ไหนก็สงสารเกิดเมตตา ม, มาหมาเต็มวัดอ่าเพราะฉะนั้นเองสิ่งเหล่านี้พระท่านก็เลยน่าสสาน่นนะอืม แต่ว่าทําไงได้กต้องช่วยท่านก็คือบอกท่านแต่มานี่ก็ระวังตัวเองนะว่าสอนเขาเนี่ยเราตกนรกหรือเปล่าไม่ได้อามาต้องทํามากกว่าโยมนะทําทุกขณะเลยถ้าเรายังไม่มีอะไรไปไปให้เขากราบเขาไหว้ทุกวันแล้ว เ, เขาก็มากินทุกวันนะตกนรกเลยพระเราะ่ะตกนรกง่ายๆด้วยแต่โยมเสมอตัวเราพระก็ บ, บรรลุทายากกว่าโยมเพราะพระมีส ม, มุตดหลายชั้น นะเขามากราบมาไหว้เอาเข้ามาให้กินเอาเท้าเงินมาถวายเงี้ยถ้าเราไม่เข้าถึงธรรมะเนี่ยโอ้โหเราลยนอนนรกทั้งปีทั้งชาติเลยทาายําไงเพราะนี้นถึงสารพระแต่ช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ไม่ช่วจะทำไงก็ปล่อยนะจำใครจำมันเอาตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนดังนั้นญาโยงทั้งหลายไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยเอาไปแต่มาที่นี่มาอาบทเรียนม า, าวิธีการแล้วเอาไปทําที่บ้าน เมื่อทําแล้วมันมีปัญหาจักกลับมาถามครูอาจารย์เพราะเออตรงเนี้ยฉันทําไปแล้วมันเป็นยังเป็นเพราะอะไรเอออย่างนั้นได้ควรกลับมาถ้ากลับมาแล้วมาตั้งต้นใหม่ด้วยไปนี่โอ้มันนั่นมันเสียเวลานะนะเสียเวลามากดังนั้นสนามไหนก็ตามที่หลวงพอ่อจะมาไปเปิดแล้วเนี่ยบอกว่าเอาให้ดีนะเราอาจจะไม่มีเวลาได้พบกันอีกนะเพราะว่าต้องทํางานไปเรื่อยๆถ้าคนที่ไม่รู้ก็เยอะ เด๋ยวนี้ฝรั่งบางขาเกิดมาสนใจเรื่องนี้อีกนะนสนใจเรื่องนี้ก็งานก็เยอะขึ้นไปเผยแพร่กันเยอ่แยะจะเอาพระไปบางทีก็ช่วยได้บางทีก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของชีวิตเราย่าเสียเวลากันอีกต่อไปเลยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันเป็นแสงสว่างของชีวิตความคิดเนี่ยเป็นความมืดของชีวิตแต่ความคิดมีสองอย่างหนึ่งความคิดด้วยคติสมิยะเราเรียกว่าปัญญา สองความคิดที่ขาดสติสัมปชัญญะเราเรียกว่าตัณหาเรียกว่ากิเลสตัณหาทุกวันนี้เรามั่นใจได้เนี่ยว่าเราคิดได้สติสัมปชัญญะต้องพิสูจน์นะไปมั่วเอาไม่ได้คําสอนของพรุทธเจ้ามั่ไม่ได้เลยต้องพิสูจน์กันให้ชัดๆว่าอะไรเป็นอะไรนะไปเดา เ, าเอาได้เอเอหน่าจะเป็นย่ง ไ, ไม่ได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาจะเป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมนะแล้วก็สิ่งที่เราใช้ทุกวันเป็นวิทยาศาสตร์ทางรูปธรรมความจริงเขาเอาความรู้ของพระุทธเจ้าเนี่ยแหละมาประยุกต์ใช้ตั้งได้วัตถ และเป็นอันตรายที่เราเห็นทุกวันเนี่ยเอาความรู้ของพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ทางด้านวัตถุมากเกินไปโลกนี้จะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมอย่างที่เราทราบนะครับปีสิบสองไม่รู้จะผ่านกันหรือเปล่านะปีหน้าเนี่ยปีนี้ก็ชักห็นได้ใช่ไหมไอซินเมีเออยอดินดินไหวเออยแถมที่ญี่ปุ่นสถานีนิวเคลียร์แล้วเบเอร์เลยญี่ปุ่นตายเป็นเครื่องเมืองแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมนี่เอาสติปัญญามาใช้ทางด้านวัตถุมันทําลายโลกอะ แล้วที่จีนอีกไอสถานีนิวเคลียร์รอบๆจีนตั้งเท่าไหร่ยี่สิบแปดลูกอ่ะถ้ามันเริ่มเบิดขึ้นมาหลายลกนี้ไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เขาทำนายว่าปีหน้าเนี่ยระวังอันนี้มาเริ่มแล้วนี่ดังนั้นต้องรีบความรู้สึกตัวต้อ ง, ต, องต้องรีบให้เยอะทีเดียวอเพื่อที่จะให้เราได้ไม่ประมาทบอกว่าปีนี้ถึงปีหน้านะญาโยมอย่าเพิ่งทําอะไรกันทําความรู้สึกตัวไว้ก่อนเผื่อว่ามาถึงเราเราจะได้รอดเพราะงั้นเนอะ รอดอะไรทางกายไม่รอดแต่ใจรอดไว้ก่อนเผื่อว่ามันยังไม่หมดกิเลสใช่ไหมเราไปเกิดชาติหน้าแต่เรารู้สึกตัวอย่าไปเกิดในทางที่ดีอะ่ะถ้าบอกคนที่ตายด้วยความรู้สึกตัวคนนั้นจะไม่ตนกนรกใช่ไหมอย่างนั้นไม่ตกนรกก็พอใจแล้วใช่ไหมดังนั้นประมาทไม่ได้เลยมีอันตรายรอบด้านนะไม่รู้จะมาถึงไทยเมื่อไหร่เนี่ยยิ่งว่าหลวงตาที่เป็นรอยแยกของอแผ่นดินไหวด้วยระวังให้ดีก็แล้วกันนะฟ้าขึ้นมากึ่งลางขึ้นวันนีไม่ทันนะดินถมกลบไปไม่นึกรู้ตัวนะ เพราะนั้นรู้สึกตัวให้ไหวให้มากที่สุดจบเลยยังไงใช้เวลาเท่าไหร่ยตังต้งแต่ไม่จำรูปขึ้นอ่ะยังมีเวลาอยู่ไหนคนไหนญี่ปุ่นโยกมือขึ้นนี่อุยสเปนิส Can you speak Thai นี่หน่อย I talk about how to Can Can you speak English นะโอเค no ไม่ได้เหมือนกัน ได้ฮะโอเคขอทำเขาเข้าใจเขาหน่อยนะ I talk about how to be aware of your body feeling because our life f e e l i n wonderful life each day we need to be aware of our body feeling body movement mental movement Always have that as a tool of meditation practice, mindfulness, mindfulness practice. Try to be aware, because uh, we try to be aware of what we are doing, what we are moving, what we are thinking all the time. That is the can be the uh, the energy of mindfulness. That is your mind like a, the light. t h uh, thinking without mindfulness like a darkness. So if you need to delete the darkness, you need to be aware of your body is p e a k i n g 100%. Actually, you your body sit here, maybe you send your mind there for 80%. The left your body only 20%. That's the darkness. So when you try to uh, accumulate the energy of mindfulness like this, the energy of mindfulness will be stronger and stronger every day. That's like a you need the light, you turn on the light. You p r e p a r the light. When the dark is coming in the day, night h i g e l i g h t you turn on the light. That can can help us to see everything clear. When you activate the energy of mindfulness like this, any bad thought, any negative thought, any dark thought coming in your mind, you can see it and then disappear immediately. Okay. So you need to develop. The energy of mind every day. Now one day you will be, you will d e r i g e the truth by yourself. Nobody can tell you, except yourself. Understand? So try again and again. That is, it's nothing hard, really easy. I do not tell s and also the Buddha pathway for more two thousand years ago. Such a l i g h of l i g h of m i n l e t still like like the sun, never. Disappear. But if you allow the thoughtfulness come with o u t mindfulness, such a thoughtfulness will uh, create a lot of negative thoughts like a desire, attachment, uh, jealousy. A lot negative energy come to dominate your mind all the time. That's created cause of suffering. When you develop the self-awareness like this, t h a t create the energy of mindfulness. Then you make the i e stronger and stronger. Your mind l e t can shine your body and mind. You can see that we get the inner eye or inside eye. Okay, that we g e t t h e inside eye can see your mind and body at the same time. Okay, a t s why e o n t e e t j a p a n and a m e r i c a are so a s ลานาริสอนี่ฝรั่งอยู่สามคนโอ้โหเขาใจไวแค่สามวันเขาได้รูปนามแล้วแต่คนไทยเรงเถียงกันไปเทียงกันมาเออมูสูบมเทียงกันอยู่เนี่ยฝรั่งเขาไปกินแล้วฝรั่งมาเปิดเซิมาเปิดคอร์สสอนพวกเราเองเลว่าอไดสามพันห้าพันเนต่อไปแล้วจะเอาอย่างนั้นจะเปิดใหฟ้ฟรีไม่เอานั้นเองที่ที่อเมริกานี่คนกําลังตื่นตัวเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขาทําอนาประนสติทำแบบไอ้ไซเลนเมดิเตชันมาไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วเป็นหลายๆศตวรรษแล้วพอเขาไม่เจอ อาเวกเมีดิชเ่นมุ้งเบยมดิชเช่นแบบนีเขารีบคว้าเลยนะนับกันเป็นชั่วโมงเลยนับกันเป็นนาทีเลยบอกว่าอย่างน้อยตั้งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องได้แปดสิบชั่วโมงขึ้นนะมันถึงจะเห็นรูปเห็นนามถ้าตั้งใจนะพวกเรามีของดีอยู่ในประเทศเราแต่เราไม่รู้ค่าไม่รู้ค่าของพุทธศาสนาแล้วหมดทะเลาะกันอย่างที่เราเห็นประเทศชาติจะอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นชาวพุทธมาก่อนนะเราเป็นผีเป็นพราม์มาตลอด นี่เฉพาะพึ่งมาเริ่มจากพวกเราเนี่ยแหละเฉพาะพึ่คือมารู้สิตัวใช้สติปัญญาใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่ใช้อารมณ์ใช้ความเครียดของใช้มาสู้กันอย่างที่เราเห็นนะเพราะนี่ในโอกาสที่หลวงพ่อได้แวะมาเนี่ยก็มาแล้วก็อดที่จะเห็นใจกันไม่ได้มานั่งทนหนาวทนร้อนด้วยกันนะแต่ว่าเรา สามารถทนได้ถ้าหากว่าเราได้เข้าใจในสิ่งที่เราทําแต่ทนแล้วไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำเสียมาทรมานกันานไหนเสียเวลากันานไหนดวงตา ก, ก็เสียเข้าเสน้า <c oughs> มีปัญหาเสียหายหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นพยายามนะถ้าเกิดด้วยญี่ปุ่นเขาเข้าใจก่อนเราเนี่โอ้เสียหายแน่เลยเราต้องเข้าใจก่อนเขาเพราะภาษาก็เขาเข้าใจทํำขนมทำเยี้ยมประเภที้ปลูกฝังกันมาเป็นพันเปียกพันปีทําผู้ศาสนาเพราะฉะนั้นเองก็ ไอ้หนูเล็กๆนเนี่ยนะถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเขาจะไม่ทุกข์เลยตลอดชีวิตเราทํานี้เป้าหมายคือการไม่ทุกขนะ์เราไม่ต้องการสุขสุขกับทุกข์ที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นในอันเดียวกัน <c oughs> พอทุกข์เราวิ่งหาสุขพอได้สุขเราก็วิ่งหาทุกข์อยู่นั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราต้องการคือต้องการไม่ทุกข์ซึ่งมันอาจจะไม่สุขซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ทุกข์แต่มันไม่ใช่สุขไม่ใช่สุขเหมือนกับป่ามือของเราเนี่ยเวลามันเป็นแผแลเราต้องการให้มันหายใช่ไหม มือเป็นแผลนี้ก็ทุกข์ถ้ามันหายปวดแลว้วปวดสุขถ้ามันปวดมือทุกข์แต่เราอยากจะให้มือที่หายจากแผลเราจะไม่ได้ต้องปวดต้องเจ็บเ พ, พราะแผลอีกต่อไปไอภาวะที่มือหายจากแผลนี่เองภาวะที่ไม่ทุกข์คือปกตินั่นเอง We talk about the, uh, the uh, happiness or unhappiness the same thing suffering and happiness the same thing but we practice here we need to a t t e n d the state of non suffering Or Nirvana. How to p l a c e the the fire of the fire in t h e When we feel suffer, we try to look for the happiness. When we feel happy, we lost the way, and suffering comes again. Like when you have the wound on the your palm, your hand palm, palm hand, you try to heal such a wound until such have no. any any wound in your p a l m that is we need that common commodity uh, normal normality of the hand without any happy and suffering <c oughs> <c oughs> นั้นๆคือจึงให้พวกเราเปกำลังใจนะก็ขอโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะนำเอาสิ่งนี้ไปวิวัฒ น, นาตัวเองให้เกิดความเข้าใจ สามารถที่จะจุดแสงสว่างขึ้นในชีวิตของเราจนสามารถเอาชนะความคิดได้ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยปัญญาด้วยกับทุกคนทุกท่านถือ